เรื่องที่14คนต้มพระพูดถึงเรื่องต้มกันเขาว่ากันว่าต้มใครจะง่ายเท่าต้มผีกับต้มพระเป็นไม่มีแล้วดูจะเหมือนจะจริงอย่างเขาว่าเรื่องผีนะ่ะไม่มีปัญหาเวลานี้ผีถูกต้มถูกตุนอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองผู้ที่ต้มผีก็คือคนเรานี่เองผีไม่ได้หลอก คนก็หาว่าผีหลอกทําให้คนทั้งหลายพากันเกลียดชังผีทั้งๆ ท, ที่ผีไม่ได้ทําอะไรให้คนคนเจ็บป่วยของคนเองก็หาว่าผีแกล้งทําให้ป่วยเสร็จแล้วก็หาหมอมาขับไล่ผีหมายความว่าหากมีเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นหาคนรับผิดไม่ได้ก็ต้องโยนให้ผีพอถึงบทคนจะทําดีกับผีบ้าง ก็หลอกผีเอาซึ่งๆห่งนาสัญญากับผีไว้ว่าถ้าช่วยทำธุระเสร็จแล้วจะให้ช้างให้มา้าแต่เอาเข้าจริงก็เอาตุ๊กตากระดาษรูปช้างรูปม้าไปให้เขาตามมันนอกจนพวกผีป่าผีนาเห็นว่าชอบกินเหล้าเถื่อนคนมักจะตกลงกับผีไว้ว่าหากช่วยทำงานเสร็จจะให้เหล้ า, หาไหแก่ตัวและเวลาชาระจริงเหล้าไหา ก็เอากระปุกตั้งายใส่น้ำแล้วเอากแกลบบหรือข้าเปลือก 2-3 เม็ดใส่ลงไปแล้วก็บอกผีว่านี่แหละเล่าไหได้นำมาชำระให้แล้วส่วนไก่ตัวก็เอาไข่ไปให้ใบหนึ่งแล้วก็บอกผีว่านี่แหละไก่ตัวให้ผีเอาไปฟักเอาเองมันออกตัวมาแล้วค่อยต้มแกล้มเล่าผีทางจังหวัดกาลสิน ยิ่งน่าเห็นใจมากที่คนเขาสัญญาว่าจะให้ไก่ตัวเวลาให้จริงเขามัดขนไก่ไปให้สักสี่ถึง5้าขนเท่านั้นเองแล้วก็บอกผีว่าได้ยกไก่ให้ผีแล้วหนึ่งตัวสำหรับแก้มเหล้าแต่อย่างไรเสียผีก็คงชวนคนเป็นเพื่อนร่วมวงกินเหล้าด้วยพวกตัวจึงได้แบ่งมาให้เสร็จตัวไก่ให้คนขนไก่ให้ผี ผีก็ไม่ว่าไรเรื่องของผีก็อย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผีขนาดไหนส่วนมากซื่อและก็ว่าอย่างนั้นแหละซื่อจนโง่เลยถูกคนต้มเอาเละหมดที่กรุงเทพนี้นานๆก็เกิดลือว่ามีบ้านผีดูดเสิทีความจริงเปล่าระหว่างสงครามก็มีบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวหุล้าโพงเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดถนนเสียด้วย เลือกกันว่าเป็นบ้านผีดุใครไปเช่าอยู่เพ่นนี้กลางคืนทุกรายเพราะมีผีร้องห้ายอยู่ในบ้านนั้นว่ากันว่ากลางวันแสกๆยังมีคนเห็นผู้หญิงโผล่ออกมาจากหน้าต่างบ้านเขาว่าเห็นจริงๆเจ๊ขายเต้าหวยหากผ่านไปตามถนนเลียบริมรั้วสังกสีบ้านนั้นยังโดนผีเอื้อมมืออันยาวเหยียดออกมาจากในบ้าน มาหยิบเอาปลาท้องกขกของแกไปกินเล่นเอาคนไม่อยากมองบ้านหลังนั้นเลยทีเดียวอย่าว่าแต่จะเดินผ่านแต่แล้วอยู่มาอยู่มาตำรวจไล่กวดผู้ร้ายมาจากไหนไม่ทราบเห็นผู้ร้ายวิ่งเข้าไปในบ้านนั้นเห็นจะเป็นตำรวจต่างท้องที่จึงไม่รู้ว่าบ้านนั้นผีดุเลยถล่มพรวดเข้าไปในบ้านซึ่งเป็นซ่องผี ผลที่สุดก็เจอผียืนหแงแก่อยู่ 3-4 ี่ตัวพร้อมด้วยของกลางที่ผีเหล่านั้นขโมยของคนไทยไปขายญี่ปุ่นและขโมยของญี่ปุ่นมาขายไทยเป็นจำนวนมากมายตำรวจเลยจับผีใส่กุญแจมือก็แก๊กนำไปโรงพักนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผีถูกคนต้มเสเละน่าตั้งข้อสังเกตว่า ผีเก่งจริงทำไมไม่หลอกขโมยบ้างนึกยังไงถึงได้มาหลอกแต่คนดีๆไม่เก่งจริงนี่ปล่อยให้พวกขโมยหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีผีเสียชื่อหมดยังไม่เห็นทำอะไรเขาได้เรื่องของเรื่องเมื่อสรุปแล้วก็คือคนหลอกผีไม่ใช่ผีหลอกคนแต่หลอกแบบนี้มันต้มกันชัดๆเลยเพราะหลอกหาประโยชน์ด้วย ข้าพเจ้าเลยพูดฟังกันง่ายๆว่าคนต้มผีคนต้มพระก็ง่ายมีแย่เสียด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเสนอข่าวว่ามีคนต้มพระคือนิมนต์พระไปสวดมนต์แล้วก็ขอยืมต้มหมู่บูชาด้วยครั้นพระให้ต้มหมู่บูชาไปแล้วพอทายกเลยกลายเป็นทายิก บอกแท็กซี่ตรงไปร้านขายของเก่าเลยทีเดียวถึงเวลาพระก็แบกตลปัดเดินไปบ้านงานหาจนเลยเพลนแล้วก็ยังไม่เจอบ้านงานเลยต้องกลับมานั่งซดน้ำชาแทนจังหันเพลนเพราะเลยเที่ยงเสียแล้วจำได้ว่าวัดแถวใกล้ๆโรงเรียนในร้อยนี่เองเรื่องต้มพระแบบนี้ความจริงมันลูกไม้โบราณมีมาอย่างซ้ำซซากๆ นานนักหนาแล้วเพียงที่ข้าพเจ้ารู้เห็นด้วยตนเองระหว่างครองสมณเพศอยู่ก็เห็นจะตกถึง 20-30 ถึงรายที่จำได้ของที่ต้มและวิธีต้มก็มีจิปะถะขวดเปล่ายังเอาเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนักต้มแต่งตัวเป็นชาวเรือไปแสดงตัวแก่สมผานว่ามาจากจังหวัดชลบุรีเอาเรือใบเข้ามาขายน้ำปลา อยากทำบุญเอาน้ำปลาถวายพระแต่ไม่มีขวดจึงขอให้รวบรวมขวดเปล่าในวัดให้มีขวดเท่าไหร่จะใส่ให้หมดน้ำปลามีแยะลูกศิษย์วัดก็มีกิจกรรมล้างขวดเป็นการใหญ่มีขวดเท่าไหร่เท่าไหร่ขนออกล้างหมดเตรียมใส่น้ำปลาดีบางขวดมีน้ำปลาอยู่บ้างแล้วครึ่งขวดข้อนขวดก็เททิ้งหมดหวังจะใส่น้าปลาอย่างฮือเจงไว้ถวายอาจารย์ ครันได้เวลาขวดก็ถูกขนขึ้นรถเจ็คตรงแน่วไปยังร้านรับซื้อขวดเก่าเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างวิธีต้มพระ1ใน100วิธีและเป็นวิธีที่นับว่าไม่ทารณกรรมเท่าไหร่นักส่วนวิธีที่ทารณทุเรศทุรังมากกว่านี้ยังมีอีกแยะคราวหนึ่งพระภิกษุโดยมิตบาบัดกาลังจะกลับวัดอยู่แล้ว เพราะถึงเวลาฉันในบาทก็มีอาหารพอสมควรแล้วแต่เดินมาถึงปักตรอกแคบแคบแห่งหนึ่งก็มีคนคนหนึ่งยกมือไหว้พลางบอกว่าคุณย่าคุณยายของตัวจะทำบุญใส่บาทอยากจะนิมนต์ท่านเข้าไปโปรดแต่ทางแฉะเหลือเกินจึงขอรับบาทเข้าไปใส่อาหารแล้วจะนำมาถวายกรุณายืนรอสักครู่พระท่านก็หวังจะโปรดสัตว์ จึงมอบบาดให้ไปเสร็จแล้วก็ยืนคอยจนตะวันโด่งฟ้าเขาก็ไม่เอาบาดมาคืนท่านเลยตัดสินใจเดินตามเข้าไปดูก็ไปเจอบาด ท, ทิ้งอยู่ข้างทางส่วนอาหารถูกเขาเอาไปหมดเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังคงจะไม่เคยได้ยินเพราะพระสงฆ์ท่านเป็นบุคคลประเภทให้อภัยแก่ผู้ผิดเมื่อถูกรังแกก็ไม่อาวอยวายวิ่งแจ่นขึ้นโรงพักอย่างชาวบ้าน เพราะมีคนใจบาปหยาบช้าอย่างว่านี้แหละโยมบ า, บาลจึงต้องทำงานหนักไม่ว่างเว้นน่าสงสารทีนี้ลองนึกถอยหลังพลืดไปสัก 2,500 กว่าปีตอนที่พระศาสดาของเรากำลังประกาศศาสนาอยู่ในประเทศโกสน ก, <c oughs> ก็จะไปสะดุดกับเหตุการณ์ทำนองนี้เหมือนกันแต่ร้ายแรงกว่าคือตอนนั้น พระศัสดาของเราพึ่งจะนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศโกศลอันเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นถิ่นอิทธิพลของพวกเิรธีเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่มากมายการที่พระศัสดาของเราส่งนำพุทธศาสนาเข้าไปประกาศในเมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองหลวงของประเทศโกศลจึงเท่ากับว่า พระองค์ได้บุกทะลวงเข้าไปอยู่ในวงล้อมของลทัทธิเก่าแก่เหล่านั้นจึงถูกพวกเดรธีเคียดแค้นชิงชงังแทบปรากเลือดก็ว่าได้พวกเขาได้พยายามขัดขวางพระองค์ทุกวิถีทางทั้งยุทั้งแย่ทั้งยั่วเรียกว่าไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถามีอยู่ครั้งหนึ่งในหลายๆครั้ง ได้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์เล่นเอาใครๆเสียวสยองไปตามๆกันคือวันนั้นมีนายคนหนึ่งชื่อครหัินแสดงตัวว่าเป็นคนเลื่อมใสในศาสนาพุทธได้ทูลนิ ม, มนต์พระพุทธองค์ไปเสวยพระตาหารที่บ้านแกจะทำบุญเลี้ยงพระครั้นพระศาสดาทรงรับและนัดวันเวลาการไปที่เรียบร้อย คราหทินก็กลับบ้านเตรียมการด้วยความรบอบคอบแต่แทนที่เขาจะเตรียมเลี้ยงพระกลายเป็นว่าเตรียมฆ่าพระคราทินสั่งให้คนงานของเขาส่วนมากหยุดงานเป็นการชั่วคราวอ้างว่าเพื่อเตรียมงานเหลือไว้แต่คนภายในที่วางใจได้จริงๆไม่กี่คนเขาให้ปลูกปรัมขึ้นที่ลานบ้าน ตกแต่งปูลาดอาสนะสงไว้อย่างสวยงามข้างหน้าปา ร, รามให้ขุดหลุมลึกหลายชั่วคนใต้ก้นหลุมรองไว้ด้วยฝืนแห้งลาดน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งอาจจุดไฟได้ในชั่วพริบตาที่ปากหลุมปิดสนิทด้วยกระดานกลนซึ่งอาจปลดให้ผู้ยืนอยู่ล่นโครมลงไปในหลุมได้โดยไม่ทันรู้ตัวคราห์ทินวางแผนไว้ว่า เมื่อพระสัสดาเสด็จมายืนบนแผ่นกระดานนั้นก่อนที่เสด็จเข้าสู่ปรมเขาจะปลดกระดานกลให้พระองค์ตกลงในหลุมลึกแล้วเผาเสียในหลุมนั้นครั้นเตรียมหลุมมรณะเสร็จแล้วก็ทำเป็นยกสหรับทาโถโอชามาวางไว้ท่าทีเหมือนจะเลี้ยงพระจริงๆครั้นแล้ววันมหาอุบาทนั้นก็มาถึงเวลาเช้า พระศัสดาได้เสด็จไปสู่เรือนของนายคระหาตินตามที่ทรงรับนิมนต์ไว้ติดตามด้วยพระอานนท์ผู้ประถากและพระสาวอกอื่นอีกหลายองค์คราหาตินกับสมุนร่วมใจก็เตรียมรับเสด็จอย่าง ร, บรอบคอบแต่เป็นการเตรียมคนละอย่างกับพระพุทธองค์คือพระพุทธองค์ทรงเตรียมเสด็จไปอำนวยพรแก่ครหาตินฝ่ายครหาตินเตรียมเผาพระศัสดา ดังนั้นเมื่อพระศัสดาเสด็จไปถึงประตูบ้านของเขาคราทินได้ขอร้องให้พระองค์เสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อนเขาอ้างว่าเป็นธรรมเนียมในตระกูลส่วนพระอื่นให้รออยู่ภายนอกทั้งนี้เพื่อมิให้สาวกรู้เห็นอจิยากรมที่เขาจะสร้างขึ้นพระศัสดาได้ทรงทำตามที่เขาขอร้องพระองค์เสด็จเข้าไปผู้เดียว ภายในบริเวณบ้านของคราหทินเงียบเชียบมีคนงานของเขาอยู่เพียง4ถึงหคนยืนประจำเรียงอยู่ห่างๆพระบรมศสาสดาทรงก้าพระบาทเข้าไปเข้าไปจนพระบาททั้งคู่ไปประทับอยู่บนแผ่นกระดานกลของมารอย่างเรียบร้อยคราห์ทินกระยิมที่สามารถวางแผนดักพระองค์ จนเข้ามุมที่ต้องการอย่างหมอเจาะไม่รอช้าเขาได้พยักหน้าให้สัญญาณแก่ลูกสมุนที่คุมเชือกกลให้ปล่อยเชือกได้สมุนมารทำตามคำสั่งของนายฉับพลันแต่ทุกคนพากันตะลึงสุดขีดในบัดนั้นกระดานกลได้หล่นโครมลงไปในหลุมแล้วส่วนองค์พระศาสดากลับประทับอยู่อย่างปกติ ไม่ได้ตกลงในหลุมด้วยทรงปลอดภัยและได้ชัยชนะผู้มุ่งร้ายโดยนำเขาหันเข้านับถือพระพุทธศาสนาในที่สุดเรื่องนี้คนต้มพระ